วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่17กันยายนพุทธศักราช2566เป็นวันที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัทมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆเองได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาฟังเทศฟังธรรมมาศึกษามาเรียนรู้ พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นสุดยอดของปัญญาของมนุษย์มไม่มีความรู้อะไรในโลกนี้ที่จะเป็นความรู้ที่สุดยอดที่ประเสรศิฐที่สุดเท่ากับความรู้ทางพระพุทธศาสนาความรู้อื่นๆนั้น ถึงแม้ว่าจะสามารถนำอาไปใช้ในการผลิตสินค้าต่างๆสร้างอะไรต่างๆขึ้นมาได้อย่างมากมายกายกองแต่ความรู้ทางโลกนั้นไม่สามารถทำในสิน่งที่ความรู้ที่พระเจ้าและพระสวบของพระพุทธเจ้า ได้ทรงเรียนรู้และนำมาเผยแผร่สัง่งสอนให้แก่สัตว์โลกได้นั่นก็คือการดับความทุกข์ของใจความรู้ต่างๆทางโลกที่ได้ศึกษากันจากสถาบรรันการศึกษาต่างๆระดับต่างๆระดับปริญญาต่างๆความรู้ทางโลกนี้ ไม่สามารถที่จะนำมาใช้ในการดับความทุกข์ทางใจได้มีความรู้ทางพระพุทธศาสนาเพียงทางเดียวเท่านั้นที่สามารถนำเอามาดับความทุกข์ทางใจได้อย่างอย่างสิ้นเชิงอย่างหมดจดอย่างราบคาบ ผู้ใดที่ได้ศึกษาพราะธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าและได้นำมาไปปฏิบัติแล้วจะได้พบกับความหลุดพ้นจากความทุกข์อย่างแน่นอนก็มีผู้ที่ได้ศึกษาได้น้อมนำมาไปปฏิบัตินับตั้งแต่วันแรกที่มีการเผยแผพร่พระธรรมคำสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้า ก็มีผู้ที่ได้ยินได้ฟังแลน้อมนำมาไปใช้ปฏิบัติกับจิตใจของตนก็สามารถดับความทุกข์ต่างๆ ท, ท, ที่มีอยู่ในใจของตนได้หมดสิ้นไปอย่างราบคาพปรากฏเป็นพาาาระอรหันตสาวกของพระพุทธเจ้าขึ้นมาเป็นจานวนมากก่อนที่พระเจ้าจะตัดสรูและนำเอาธรรมะอันประเสริฐ ของพระ อ, องค์นี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกไม่มีผู้ใดในโลกนี้เลยที่สามารถทำให้ตนเองได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ต้องรอให้มีคนวิเศษอย่างพระพุทธเจ้ามาปรากฏขึ้นมาในโลกนี้แล้วมาปฏิบัติมาศึกษาหาวิธีการดับความทุกข์ของพระ อ, องค์เอง พอพ่อองค์สามารถค้นพบวิธีการดับความทุกข์ทางใจของพ่อองค์ได้แล้วพ่อองค์ก็เลยนาเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้กับผู้ที่สนใจก็เลยมีผู้ที่สนใจได้เข้าศึกษาได้นำเอาไปปฏิบัติจึงปรากฏมีผู้หลุดพ้นจากความทุกข์ ขึ้นมาตามลำดับเป็นจำนวนมากถ้าศึกษาพุทธประวัตินี้เราจะได้เราจะได้รู้ถึงการหลุดพ้นของบุคคลต่างๆหลังจากที่ได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสั่งคำสอนน้อมนำเอาไปปฏิบัติกันนี่แหละคือความวิเศษของพระพุทธเจ้า และพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่จะทำให้สัตว์โลกเป็นจำนวนมากที่ติดอยู่ในกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าหรือไม่มีพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเผยแผ่ให้แก่สัตว์โลกสัตว์โลกทั้งหลายนี้ก็จจะต้อง ติดอยู่ในกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดไปอยู่เรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดจะสิ้นสุดได้ก็ต่อเมื่อได้มาเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนามีพระพุทธเจ้าเองหรือมีพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้มีการบันทึกเอาไว้ในพระธรรมปี พระตรปิฎกหรือมีพระอริยสงสาวก์ของพระพุทธเจ้าที่เผยแผ่คำสั่งคำสอนอย่างถูกต้องของพระพุทธเจ้าถึงจะสามารถทำให้มีการหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาสาตว์โลกก็ยังจะต้องติดข้องอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดไป อยู่เรื่อยๆต้องรอให้มีพระพุทธเจ้ามีพระพุทธศาสนาปรากฏอยู่บนโลกนี้ก่อนผู้ใดก็ตามถ้าได้มาเกิดและได้มาพบกับพระพุทธศาสนายิ่งต้องถือว่าเป็นผู้ที่มีลาภันประเสริฐมีโอกาสที่จะได้หลุดพ้นจากความทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ แต่การได้พบปะกับพระพุทธศาสนานั้นก็เป็นส่วนแรกที่ที่จำเป็นที่จะต้องมีแต่ไม่ใช่เป็นส่วนเดียวเพราะว่าการพบปะพระพุทธศาสนาเพียงอย่างเดียวแต่ไม่ได้ศึกษาไม่ได้น้อมนำเอาคำสั่งคำสอนของพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติ การที่จะหนุดพ้นจากคกองทุกข์ต่างๆนี้ก็ยังจะเกิดขึ้นมาไม่ได้ต้องมีเมื่อได้พบกับพระพุทธศาสนาแล้วก็ต้องมีศรัทธาความเชื่อเชื่อในคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าเชื่อในคําสั่งคําสอนของพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าเมื่อมีความเชื่อแล้วก็จะได้ น้อมนำเอาไปปฏิบัติแลนะเมื่อมีการปฏิบัติแล้วก็จะมีการหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ดังนั้นถึงแม้ว่าชาตินี้พบนี้พวกเราได้มาเกิดได้มาพบกับพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้มาเกิดในประเทศไทยนี้เป็นประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาเป็นหลัก แต่เพียงแต่การมาเกิดแล้วได้มาเป็นชาวพุทธนี้เพียงยังไม่เพียงพอต่อการที่จะได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาเมื่อเรามาเกิดแล้วเราได้มาสัมผัสรับรู้กับพระพุทธศาสนาแล้วสิ่งที่เราจำเป็นที่จะต้องทำต่อไปก็คือมีศรัทธาความเชื่อในพระพุทธรธรรมพระสงค์ เชื่อฟังคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าและคำสั่งคำสอนของพระอราิยสงสาวุกเมื่อเราเชื่อแล้วแลเราได้ศึกษาแล้วเราก็ต้องนำเอาไปปฏิบัติต่อเมื่อเราได้นำเอาไปปฏิบัติแล้วการหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆถึงจะปรากฏขึ้นมาได้ไม่ใช่เพียงแต่ว่าได้มาเกิดได้มาพบกับพระพุทธศาสนา แล้วจะทำให้ความทุกข์นั้นหมดสิ้นไปจากใจโดยอัตโนมัตินี้ยังเป็นไปไม่ได้<ม>เช่นพวกสัตว์ต่างๆที่มาเกิดที่มาอาศัยอยู่ในวัด<ม>ของพระพุทธศาสนาสัตว์เหล่านี้ถึงแม้ว่าจะได้มาอยู่ในวัดก็ตามแต่การได้มาอยู่วัด น, นั้นไม่ได้หมายความว่าจะทำให้เขาได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทางใจได้ เขาอาจจะได้รับความมโนภาพเรื่องของการดูดพ้นจากความทุกข์ทางร่างกายได้เพราะว่าจะเป็นที่ปลอดภัยที่ไม่มีใครจะมาทำร้ายทาลายชีวิตแต่ความทุกข์ทางใจของเขานี้จะไม่ได้หมดไปเพราะว่าเขาได้มาอยู่วัดได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเขาก็ยังจะต้องทุกข์ไปเรื่อยๆอยู่ เพราะว่าเขาไม่ได้น้อมเอาคำพระพุทธศาสนาเอาคาสอนของพระพุทธศาสนาเอาเข้ามาสู่ใจของเขาถ้าเขาสามารถน้อมเอาเข้ามาสู่ใจของเขาได้แล้วปฏิบัติตามคำสอนได้เขาก็จะสามารถที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เช่นเดียวกับมนุษย์ที่มาเกิดในพะในโลกนี้และได้มาพบกับพระพุทธศาสนา แต่กับไม่มีศรัทธาความเชื่อไม่มีความสนใจที่จะศึกษาล่ำเรียนแล้วเอาสิ่งที่ได้ลํำเรียนล่ำเรียนนี้ไปปฏิบัติ mm hmm. เขาก็จะไม่มีการหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ mm hmm. mm hmm. ดังนั้นเราต้องเข้าใจว่าถึงแม้เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วแล้วได้มาพบกับพระพุทธศาสนาแล้วไม่ได้หมายความว่า เราจะได้หลุดพ้นจากความทุกข์โดยอัตโนมัติเราจะต้องมีการกระทาต่อไปอีกสองขั้นตอนก็คือเราต้องศึกษาคำสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้าวิธีการดับทุกข์ต่างๆว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรถึงจะดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจนี้ให้หมดสิ้นไปได้ เมื่อเราได้ศึกษาได้รู้แล้วว่าเราต้องทําอะไรกันบ้างขั้นต่อไปเราก็ต้องนําเอาไปปฏิบัติปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้ปฏิบัติกันถ้าเราสามารถปฏิบัติได้นําดับนั้นแหละความทุกข์ก็จะค่อยเริ่มหมดไปจากใจไปตามน้าดับแห่งการปฏิบัติของเรา การปฏิบัตินี้ก็เป็นการปฏิบัติเป็นขั้นเป็นตอนไปการหลุดพ้นการดับของความทุกข์ต่างๆก็จะหลุดพ้นเป็นขั้นเป็นตอนไปไม่ใช่ดับทีเดียวพร้อมกระหนดไปเลยมีแต่ละขั้นแต่การดับนี้อาจจะดับช้าดับเร็วนี้ขึ้นอยู่กับบุคคลไม่ที่มีความสามารถไม่ไม่เหมือนกันบางคนก็สามารถทําการปฏิบัติให้หลุดพ้น ได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วบางคนก็ต้องใช้เวลามากถึงจะสามารถที่จะหลุดพ้นได้ <Okay. S 2> แต่ก็ไม่เป็นประเด็นสำคัญว่าจะหลุดพ้นช้าหรือเร็วประเด็นก็คือว่าจะได้หลุดพ้นด้วยกันทุกคนอย่างแน่นอนถ้ามีการศึกษาและมีการปฏิบัติอย่างเต็มที่ <Okay. S 2> อย่างเต็มร้อยที่เรียกว่าสุปฏิปโน okay. ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็หมายถึงปฏิบัติอย่างเต็มร้อย mm hmm. ปฏิบัติดี mm hmm. ปฏิบัติชอบก็หมายถึงการปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักธรรมคำสอนทุกประการ mm hmm. ต้องปฏิบัติดีแล้วต้องปฏิบัติถูกต้อง mm hmm. ถึงจะสามารถที่จะทำให้การหลุดพ้นจากความทุกนี้ปรากฏขึ้นมาในใจได้ mm hmm. ดังนั้น สิ่งที่พวกเราควรที่จะสำนึกกันสิ่งที่พวกเราควรที่จะตั้งเป้าหมายกันไว้ก็คือว่าชาตินี้เมื่อเราได้มาเกิดเป็นชาวพุทธแล้วเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้พบกับคำสอนอันประเสริฐแล้วสิ่งที่เราต้องทำ ก, ก็คือเราต้องหมั่นศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆ ศึกษาแล้วก็นำอาไปปฏิบั ต, <ม>ติเมื่อเราได้ปฏิบัติแล้วเราก็จะได้กําจัดความทุกข์ต่างๆ<ม>ที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดสิ้นไปตามลาดับแห่งการปฏิบัติของเราถ้าไม่มีการศึกษามไม่มีการปฏิบัติ<ม>การหลุดพ้นจากความทุกข์นี้จะไม่เกิดขึ้นได้หรือว่ามีการศึกษาเพียงอย่างเดียว แต่ไม่มีการปฏิบัติอย่างนี้ก็ยังหลุดพ้นไม่ได้หรือว่ามีการปฏิบัติแต่ไม่มีการศึกษาอย่างนี้ก็ก็หลุดพ้นไม่ได้เช่นเดียวกันเพราะาอาจจะปฏิบัติไม่ถูกนั่นเองปฏิบัติไม่ถูกต้องตามคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะไม่สามารถที่จะหลุดพ้นได้ถึงแม้จะมีการปฏิบัติก็ตามเพราะฉะนั้น สิ่งที่เราต้องพยายามทำกันในเบื้องต้นก่อนก็ต้องศึกษาให้รู้รายละเอียดของการปฏิบัติว่าเราจะต้องปฏิบัติอะไรกันบ้าง mm hmm. เมื่อเรารู้รายละเอียดแล้วเราก็นำออกไปปฏิบัติตามที่เราได้เรียนได้ศึกษามาแล้วเมื่อเราได้ศึกษาได้ปฏิบัติแล้วเราก็จะเห็นผลเกิดขึ้นในใจของเราความทุกข์ต่างๆที่เคยมีอยู่ในใจของเราจะค่อยๆหมดไป mm hmm. ตาม การปฏิบัติของเราว่าเราได้ปฏิบัติอะไรบ้างแล้วผลของการปฏิบัติมันก็จะปรากฏขึ้นมาตามลำดับ <Yeah. S 1> อย่างนั้นสิ่งที่เราควรจะทากัน <Yeah. S 1> ก็คือหมั่นศึกษาคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าให้มีศรัทธาความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ <Yeah. S 1> ์เพียงอย่างเดียวคือเชื่อคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า พระทรมคำสอนของพระอริยสงสาวกอย่าไปเชื่อคาสั่งคำสอนของผู้อย่าไปเชื่อคำสอนของผู้ที่ไม่ใช่เป็นพร ะ, ะพระพุทธเจ้าหรือพระอริยสงสาวกเ <S S S 1> พราะผูน้นี้ถ้าไม่ได้เป็นพระอริยสงสาวกหรือไม่เป็นพระพุทธเจ้านี้จะไม่รู้การดับความทุกข์ว่าดับได้อย่างไร <S S ถ้าไปฟังเขาแล้วก็จะทำให้เราหลงทางได้ แต่ถ้าคำสอนของเขาเป็นคำสอนที่ไม่ขัดกับหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็สามารถเชื่อได้ <Yeah. S 2> ถ้าเป็นคำสอนที่สอดคล้องกันที่เหมือนกัน <Yeah. S 2> แต่ถ้าเป็นคำสอนที่ขัดกัน <Yeah. S 2> ก็เป็นสิ่งที่เราไม่ควรที่จะไปเชื่อให <Yeah. S 2> ้เราเชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นครูเป็นอาจารย์เป็นสาลาณนะเป็นที่พึ่งของเรา การจะปฏิบัตินี้เราจะต้องมีครูบาอาจารย์คอยสั่งคอยสอนครูบาอาจารย์นี้ก็มีอยู่ในหลายรูปแบบด้วยกันไม่จำเป็นจะต้องเป็นครูบาอาจารย์ที่มีชีวิตอยู่คำสั่งคำสอนของท่านที่ได้มีการบันทึกไวน้นี้ก็สามารถนำมามาเป็นครูอาจารย์ของเราได้ เรีนพระพุทธเจ้านี้ท่านก็จากพวกเราไปเป็นเวลายาวนานแล้วแต่พระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้านี้ <c oughs> ก็ยังมีการจารึกไว้อยู่ <c oughs> ไว้ในพระไตรปิฎกเราก็สามารถที่จะไปเรียนรู้จากพระพุทธเจ้าถ้าเราอยากจะมีพระพุทธเจ้าเป็นครูของเราซึ่งเป็นสิ่งที่เราควรจะทำในเบื้องต้นถ้าเราเป็นชาวพุทธนี้เราต้อง มีพระพุทธเจ้าเป็นครูของเราเพราะเราจะได้รู้ว่าพระพุทธเจ้านี้ทรงสอนให้ปฏิบัติอย่างไรแล้วถ้าหลังจากที่เราได้ศึกษาก็ทำคาสอนแล้วถ้าเราเวลานำอาไปปฏิบัติเรายังเกิดมีความติดขัดยังมีความไม่เข้าใจในบางเรื่องบางีส่วนอยู่เราก็อาจจะต้องไปเอาสัยคำสั่งคำสอน ของพระ อ, อริยบุคคลต่อไปซึ่งเราจะรู้ได้ว่าคำสั่งคำสอนของพระ อ, อริยบุคคลนั้นตรงกับคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือไม่ก็ต่อเมื่อเราได้ศึกษาคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาไว้ก่อนนั่นเองเพราะว่าพระ อ, อาจารย์ต่างๆที่มีชีวิตอยู่ที่เราอาจจะต้องไปอาศัยพึ่งพา อ, อาศัยให้ท่านช่วยสอนช่วยแก้คา ปัญหาต่างๆนี้ที่เกิดจากการปฏิบัตินี้เราก็ต้องมีพื้นฐานของความรู้ก่อนพื้นฐานของความรู้ที่พระเจ้าได้ทรงสั่งสอนไว้ว่าทรงใ ห, ให้สอนให้ปฏิบัติอย่างไรแล้วถ้าเราไปศึกษากับครูบาอาจารย์ต่างๆเวลาท่านสอนอะไรเราก็จะได้เอาคำสอนของพระพุทธเจ้านี้มาเปรียบเทียบดูอีกทีนึง ว่าสอนตรงกันหรือไม่ถ้าสอนตรงกันเราก็สามารถที่จะน้อมนา ม, มาปฏิบัติได้แต่ถ้าสอนไม่ตรงกันนี้เราก็ไม่ควรที่จะน้อมนำ ม, มาปฏิบัติเพราะว่ามันจะไม่ถูกต้องตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองแล้วมันจะไม่ทำให้เกิดผลขึ้นมาก็จะเสียเวลา แต่การที่เราศึกษาจากพระคมพีจากพระไตรปิฎกนี้บางทีเราก็ยังอาจจะไม่สามารถเข้าใจได้อย่างละเอียดถี่ถ้วนเราก็เลยต้องไปอาศัยครูบาอาจารย์ผู้ที่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานแล้วผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมแล้วมาช่วยชีย้แนะแนวทางที่ถูกต้องต่อไปเราจึงต้องอาศัยทั้งพระพุทธเจ้า และอาศัยพระอริยสงสาวกเป็นอาจารย์ของพวกเราดังั้นเราไม่ไม่ควรมองข้ามการศึกษาพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าควรที่จะเข้าไปค้นคว้าหาศึกษาพระสูตรที่สำคัญต่างๆที่ได้ทรงแสดงไว้แล้วได้มีการจารึกบันทึกเอาไว้ในพระไตรปิฎกเอามาศึกษามาอ่านดูศึกษาพระพุทธประวัติก็ได้ ซึ่งในพระพุทธประวัตินี้ก็มักจะมีการแสดงธรรมในโอกาสต่างๆที่เราสามารถเอาธรรมที่ท่านทรงแสดงไว้นี้มายึดเป็นแนวทางของการปฏิบัติได้ <c oughs> แล้วเราจะได้ไม่หลงทางแลวเราก็จะได้บรรลุได้หลุดพ้นจากความทุกข์จากการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของเรา เราก็ต้องตัวเราเองก็ต้องปฏิบัติดีต้องปฏิบัติชอบเราก็ต้องขยันหมั่นเพียรปฏิบัติปฏิบัติมากเท่าไหร่ยิ่งมากยิ่งดีปฏิบัติยิ่งเต็มร้อยก็คือหมายถึงปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนเลยถ้าเป็นนักบวชนี้ท่านผู้ที่มุ่งมั่นต่อการบวชนี้ท่านจะไม่ทําภารกิจอย่างอื่นนอกจากภารกิจที่จําเป็นเท่านั้นเช่นการบิณฑบาตการ การดูแลร่างกายของท่านการดูแลสถานที่ให้สะอาดด้วยการทำการปัดกวาดอะไรต่างๆเท่าที่จำเป็นนอกจากนี้ท่านจะเอาเวลามาให้กับการปฏิบัติเพียงอย่างเดียวตั้งแต่ลืมตาจนกระทั่งถึงเวลาหลับนอนนี้ใจจะหุนอยู่กับการปฏิบัติตลอดเวลาท่านมีการปฏิบัติอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นการปฏิบัติดีสุปฏิปันโน ปฏิบัติเต็มร้อยทำเต็มที่แล้วที่ต้องอยู่ที่ปฏิบัติชอบหรือไม่ท่านั้นอยู่ปฏิบัติถูกต้องหรือไม่ท่านั้นซึ่งอันนี้ก็อาจจะต้องอาศัยการ <c oughs> การการปฏิบัติควบคู่กับการศึกษาล่ำเรียนไปเพราะการปฏิบัติแต่ละขั้นนี้ก็อาจจะเป็นมีรายละเอียดมีเคล็อะไรต่างๆที่อาจจะไม่สามารถที่จะ เรียนได้จากหนังสืออาจจะต้องมีการไปศึกษามีการไปสอบถามจากครูบาอาจารย์ต่า ง, างอันนี้คือหน้าที่ของเราเราต้องมันศึกษามันปฏิบัติทำให้เต็มร้อยแล้วพยายามปฏิบัติให้ถูกต้องถ้ามีการปฏิบัติที่ถูกต้องแล้วการหลุดพ้นจากความทุกข์ก็จะต้องปรากฏขึ้นมาอย่างแน่นอน ช้ารู้เร็วก็ขึ้นอยู่กับควารมรู้ความสามารถของแต่ละคนการปฏิบัตินี้ท่านก็มีแยกไว้ผู้ปฏิบัตินี้มีอยู่สี่สี่ชนิดด้วยกันสี่กลุ่มด้วยกันกลุ่มที่หนึ่งก็คือผู้ที่รู้เร็วแ ล, วและปฏิบัติง่าย mm hmm. พวกที่รู้เร็วนี้หมายถึงเป็นคนฉลาด mm hmm. คิดเป็นในทางปัญญาได้ได้เก่ง แล้วก็รู้แล้วว่าคือรู้รู้รู้แล้วแล้วก็ปฏิบัติง่ายปฏิบัติง่ายก็หมายถึงมีกิเลสน้อยะชาติก่อนๆอาน จ, จะขัดเกลารจิตใจมาอยู่เรื่อยๆลดละความโลภความโกรธความหลงอยู่เรื่อยๆยิ่งทําให้มีกิเลสน้อยในใจ mm hmm. เมื่อมีกิเลสน้อยก็กําลังต่อต้านก็มีน้อยก็เลยทําให้การปฏิบัตินี้เป็นไปได้ง่าย mm hmm. อันนี้กลุ่มที่หนึ่ง เป็นกลุ่มที่เรียกว่าปฏิบัติรู้รู้ง่ายรู้เร็วและปฏิบัติง่ายคือพวกที่ได้มีการขัดเกลาความโลภความโกรธความหลงมาอย่างต่อเ น, นื่องในแต่ละภพแต่ละชาและได้มีการสอนใจให้คิดไปในทางปัญญาอยู่เรื่อยๆคิดตามหลักเหตุผลไม่ได้คิดด้วยอารมณ์เรียกว่าคิดทางปัญญาใครที่คิดทางปัญญาได้และมีการขัดเกลา ความโลภความโกรธความหลงมาอย่างต่อเนื่องนี้เวลาได้มาศึกษาได้ปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนานี้ก็จะสามารถาปฏิบัติง่ายทำใจให้สงบง่ายนั่งสมาธิห้านาทีสินาทีจิตก็รวมได้เมื่อจิตรวมแล้วหลังจากชำนาญทางสมาธิแล้วก็ออกมาทางปัญญาก็สามารถพิจารณาหลักธรรมต่าง ได้อย่างง่ายดายเข้าใจได้อย่างรวดเร็วเพราะเคยคิดทุกสิ่งทุกอย่างมาด้วยเหตุด้วยผลมาตลอดเข้าใจเหตุว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะสิ่งนั้นสิ่งนั้นเกิดขึ้นเพราะสิ่งนี้เมื่อเข้าใจหลักของของเหตุและผลแล้ว mm. ก็จะทําให้ mm. เข้าใจหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าได้อย่างง่ายดาย mm. น, นนี้คือกลุ่มที่หนึ่ง mm. กลุ่มที่เราเรียกว่า ปฏิบัติง่ายแล้วรู้เร็วเก่งแต่นั่งฟังธรรมก็สามารถบรรลุธรรมได้ฟังธรรมที่พุทธเจ้าทรงแสดงไว้เช่นเวลาที่พุทธเจ้าทรงแสดงธรรมครั้งแรกให้แก่พระปัญจวัคคีพระปัญจวัคคีนี้ท่านก็มีสมาธิกันทุกรูปแล้วท่านเข้าฌานกันได้แล้วแต่ความสามารถความคิดทางปัญญานี้ยังไม่เท่ากันหลังจากทรงแสดงธรรมทรงแสดงอริยสัจสี ให้กับพระปัญจวัคคีฟังพ อ, พอเสร็จจากการแสดงก็มีเพียงหนึ่ ง, งรูปในห้ารูปที่มีดวงตาเห็นธรรมรู้เร็วก็คือพระัญญาณโกนทัญญาส่วนอีกเส่รูปนี้ยังคิดไม่ทันปัญญายังไม่ยังเกิืนไหวไม่เร็วเท่ากับพระัญญาณโกลทัญญาอนนี้คือลักษณะของผู้ปฏิบัติมีความ รู้ความสามารถนี้ไม่เท่าเทียมกันกลุ่มแรกนี้ก็คือเป็นผู้ที่รู้เร็วและปฏิบัติง่ายกลุ่มที่สองก็คือเป็นพวกที่รู้เร็วแต่ปฏิบัติยากก็หมายถึงว่าเป็นคนที่ชอบคิดในทางปัญญาคิดไปในทางเหตุทางผลถ้าเรื่องปัญญาแล้วจะเข้าใจได้อย่างรวดเร็วแต่เรื่องของการขัดเกา เรื่องของการทำใจให้สงบเข้าสมาธินี้ยังทำได้ยากอยู่ก็เพราะว่าไม่ไม่ได้ค่อยขัดเกลาลดละความโลภความโกรธความหลงเท่าไหร่กิเลสในใจจึงมีมากพอกิเลสในใจมีมากเวลานั่งสมาธิก็จะสงบได้ยากเพราะกิเลสนี้ก็จะมาคอยดึงใจให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆไปไปรอบไปหา ไปโลภไปโกรไปหลงกับสิ่งต่างๆจึงทำให้เวลาขั้นของขั้นของการฝึกสมาธินี่จะยากมากบางคนอาจจะต้องใช้เวลาเป็นปีๆกว่าจิตจะรวมเป็นสมาธิได้ <S <S แต่พอหลังจากจิตรวมเป็นสมาธิแล้วมีความมีความสามารถคิดไปในทางปัญญาได้พอพิจารณาอาริยสัจสรรพิจารณาตายักก็สามารถบรรลุธรรมได้เรียกว่ารู้เร็ว แต่ปฏิบัติยากอันนี้คือกลุ่มที่สองกลุ่มที่สก็คือรู้ช้าแต่ปฏิบัติง่ายกลุ่มนี้ก็คือเป็นคนเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบคิดทางปัญญาคิดทางปัญญาไม่ค่อยเป็น ค, คิดด้วยเหตุด้วยผลไม่เป็นก็เลยฟังทำแล้วจะไม่ค่อยเข้าใจศึกษาทำแล้วจะไม่ค่อยเข้าใจได้ง่ายอย่างรวดเร็วก็จะรู้ช้า แต่เนื่องจากว่าในอดีตชาติได้มีการขัดเกลาจิตใจอยู่เรื่อยๆล้นละความรลบความโกรธความหลงอยู่เรื่อยบำเพ็ญสมาอาจจะเคยบำเพ็ญสมาธิมาก่อนในอดีตชาติ<ม>พอมาบำเพ็ญสมาธิในพอมนี้ชาตินี้ก็ปฏิบัติได้ง่ายนั่งสมาธิแล้วจิตสงบได้เร็ว<ม>อันนี้เป็นพวกที่มีปีเลดน้อย ได้ขัดเกามาอย่างสม่ำเสมอในอดีตชาติเวลาทําสมาธิเวลาปฏิบัติสมาธิก็เลยปฏิบัติง่ายแต่ไม่ฉลาดทางปัญญาคิดทางปัญญาไม่เป็นก็เลยรู้ช้าแล้วกลุ่มสุดท้ายก็เป็นพวกที่รู้ช้าแล้วก็ปฏิบัติยากกลุ่มนี้ก็หมายถึงพวกที่ไม่ได้ขัดเกา ความโลบความโกรธความหลงมาเลยมีแต่สะสมความโลภความโกรธ ค, ความหลงมาแต่ละภพแต่ละชาติพอเวลาที่จะมาฝึกสมาธินี้กิเลส ก, ก็จะมีมากกิเลส ก, ก็จะมาสร้างความยากต่อการปฏิบัติที่จะทำให้ใจสงบได้นั่งสมาธิเท่าไหร่ก็ไม่ยอมสงบทักทีจิตชอบวอกแวกคิดไปเรื่องนั้นคิดไปเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งไม่แทบจะไม่อยากจะนั่งสมาธิเลยก็มี สำหรับบางท่านเวลาเริ่มต้นใหม่ๆนี่เขเรียกว่าปฏิบัติยากเพราะมีกิเลสมากก็เลยทำให้เวลานั่งสมาธินี้จะจะยากต่อการทำใจให้สงบได้แล้วก็ไม่เคยคิดทางปัญญาไม่เคยคิดด้วยเหตุด้วยผล <S 1> <S 1> <S <ๆ>คิดด้วยอารมณ์เป็นส่วนใหญ่ <S <S <S <ๆ>คนที่คิดด้วยอารมณ์นี้จะไม่สามารถที่จะเข้าใจหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้อย่าง ได้อย่างรวดเร็วพวกนี้ก็เลยเป็นพวกที่รู้ช้าและปฏิบัติยากนี่ก็คือลักษณะของผู้ปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้านี้มีอยู่สีกลุ่มด้วยกันซึ่งก็ขอให้ท่านจงนำมาไ ป, ไปพิจารณาดูกรอบตัวของท่านเองก็แล้วกันว่าท่านอยู่ในกลุ่มไหนเพื่อที่จะได้รีบ จัดแปลงแก้ไขเสียถ้ายากก็นี่พยายามลดละความโลภความอยากต่างๆให้น้อยลงไปถ้าถ้ารู้ช้าก็หัดคิดทางปัญญาคิดทางเหตุทางผลคิดแบบนักวิทยาศาสตร์คิดแบบคณิตศาสตร์อันนี้เป็นหลักหลักกะหลักเหตุผลหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองสองบวกสองเป็นสี่เป็นต้นนี่ก็คือเรื่องของการปฏิบัติของแต่ละท่าน แต่แม้ว่าจะเป็นแบบไหนก็ตามทั้งสี่กลุ่มนี้ก็สามารถที่จะบรรลุธรรมได้ถ้ามีความอดทนมีความเพียรพยายามไม่ย่อท้อพยายามเพียรพยายามปฏิบัติไปแล้วแต่แล้วแต่กําลังของเราแต่ละคนถ้ามีความเพียรพยายามยุดหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ทุกคน เพียงแต่ว่าอาจจะช้าจะเร็วต่างกันจะยากจะง่ายต่างกันอันนี้เป็นเรื่องที่เราไม่สามารถที่จะไปเปรียบเทียบกับบุคคลอื่นได้อาจารยเราอย่าไปคิดว่าทําไมเขาปฏิบัติได้ง่ายนั่งสมาธิก็สงบได้เร็วพอฟังธรรมเขาก็เข้าใจบรรลุธรรมได้อันนี้มันเป็นเรื่องของบุญบรารมีเก่าของเขาวาสนาเก่าของเขาที่เขาได้สะสมมาดัางที่พระเจ้ทาทรงตรัสไว้ว่า การได้ทำบุญในอดีตนี้เป็นมงคลอย่างยิ่งเป็นมงคลก็เพราะว่าจะทำให้เราเวลามาปฏิบัติมาศึกษามาปฏิบัติธรรมในภพนี้ชาตินี้เราจะทำได้ง่ายและทำได้เร็วนั่นเ อ, องถึงเรียกว่าเป็นมงคลบุคคลที่ได้ทำบุญมาในอดีตถ้าเราไม่ได้ทำบุญในอดีตก็ไม่เป็นไรมันผ่านไปแล้วเราทำบุญในปัจจุบันนี้ทำบุญต่างๆที่พระเจ้าทรงสอนให้เราทากัน แล้วถ้าเกิดพบนิชชาต์นี้เรายัางไม่สามารถบุดพ้นได้ชาติต่อไปเราก็จะมีบุญที่เราทําในชาตินี้ไปช่วยสนับสนุนในการปฏิบัติของเราต่อไปในชาติหน้าได้ดังนั้นอย่าอย่าท้อแท้ต่อการปฏิบัติตามคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าจะช้าหรือเร็วจะยากจะง่ายนี้ก็ให้มันเป็นไปตามวาสนาของแต่ละคนก็แล้วกันน ข้อสำคัญขอให้เราพยายามปฏิบัติกันอย่างเต็มที่เต็มกำลังของเราก็แล้วกันแล้วผลมันก็จะต้องปรากฏขึ้นมาอย่างแน่นอนแล้วเวลาได้ผลแล้วมันก็ไม่สำคัญว่าใครคนที่ได้ก่อนกับคนที่ได้หลังนี้ผลจะแตกต่างกันก็ผลก็จะได้เท่ากันนิพพานของคนที่บรรลุธรรมในสมัยพุทธกาลกับนิพพานของคนที่บรรลุธรรมในสมัยปัจจุบันนี้ก็เป็นนิพพานเหมือนกัน หลุดพ้นจากความทุกข์เหมือนกันเจอกับบรลมะสุขเหมือนกันเพราะฉะนั้นจะจะบรรลุเร็วหรือบรรลุช้านี้ก็ไม่เป็นประเด็นสําคัญขอให้ได้บรรลุก็แล้วกันแล้วจะได้บรรลุก็อยู่ที่ว่าเราศึกษาและปฏิบัติกันอย่างจริงจังหรือไม่อย่างเต็มที่หรือไม่เท่านั้นเองฉนั้นพยายามเอาเวลาของเราที่มีอยู่นี้มาให้ใช้ให้กับการศึกษากับการปฏิบัติธรรม ให้มากที่สุดเท่าที่เราจะสามารถทําได้อย่าอย่าให้งานต่างๆเรื่องราวต่างๆของทางโลกนี้มาเดึงให้เราไปไปเสียเวลากับเรื่องราวต่างๆทางโลกเพราะงานทางโลกนี้มันเป็นงานชั่วคราวประโยชน์สุขก็ชั่วคราวและส่วนใหญ่ก็เป็นประโยชน์สุขทางด้านร่างกายซึ่งเป็นของชั่วคราวร่างกายเราต่อให้เราเลี้ยงดูมันดีอย่างไรขนาดไหน ในที่สุดมันก็ต้องแก่เจ็บตายไปตามการตามเวลาของเราแต่การที่เราไปทำงานทางโลกนี้มันจะไม่ได้มาช่วยงานทางธรรมเลยแม้แต่นิดเดียวเรื่องของการดับความทุกข์นี้จะไม่ลดน้อยลงไปเลยถ้าเราไปทำงานทางโลกงานทางโลกนี้กลับจะสร้างความทุกข์ทางใจให้มีเพิ่มมากขึ้นไปถ้าทำด้วยความด้วยความ ควโลภความโกรธความหลงพอเวลาไปทํางานทางโลกแล้วมันมักก็จะมักจะไปทางกิเลสนั่นเองไปทางความโลภความโกรธความหลงทําแล้วก็อยากจะได้ได้ได้มากๆได้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆมันก็จะทําให้เกิดความผูกพันติดพันกับการทํางานทางโลกจนทําให้ลืมงานทางธรรมไปพอถึงเวลาที่จะต้องมาอาศัยธรรมะเพื่อดับความทุกข์ในายามที่ร่างกายแก่เจ็บตาย ก็จะไม่มีธรรมะมาใช้ในการที่จะมาดับความทุกข์ทางใจได้ดงนั้นพยายามลดละการทํางานทางโลกให้น้อยลงไปเรื่อยๆแ่าที่เราจะสามารถลดละได้พยายามลดละการมีภาระผูกพันที่เราจะเป็นจะต้องเสียเวลากับการเลี้ยงดูภาระต่างๆดูแลภาระต่างๆนี้พยายามปลดพิ่มให้มันน้อยลงไป พยายามลดการเสพความสุขทางทางรูปเสียงกลิ่นลดผลพระต่างๆให้น้อยลงไปอย่าเอาอย่าเอาเวลามีค่านี้มาให้กับการเสพรูปเสียงกลิ mm ่นดผพระเพราะมันเป็นความสุขแค่ประเดียวประดาและเป็นความสุขที่ไม่มีวันอิ่ไม่มีวันพอเป็นความสุขที่จะต้องคอยหาคอยเติมมาอยู่เรื่อย แล้วเวลาที่เราเอามาเติมให้กับความสุขเหล่านี้มันก็จะดึงเอาเวลาของการปฏิบัติธรรมไปนจนอาจจะทำให้เวลาของการปฏิบัติธรรมนี้แทบจะไม่มีเลยก็ได้<น>ให้มองสำคัญให้มองเห็นความสำคัญของการปฏิบัติธรรมว่าเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในโลกนี้เ<น>สียอะไรทางโลกนี้เสียไปไม่ไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะไม่ช้าก็เร็วก็ต้องเสียอยู่แล้ว เวลาตายไปนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่นี้เราเราไม่สามารถเอาติดตัวเราไปได้เลยแม้แต่นิดเดียวแต่งานทางธรรมนี้<ม>เราทำได้มากน้อยเท่าไหร่เวลาที่เราตายไปเราเอาไปได้หมดเลยย<ม>ั้งให้มาให้เห็นความสำคัญของงานทางธรรมให้มากกว่าการเห็นความสำคัญของงานทางโลกงานทางโลกก็ทำไปเท่าที่จำเป็น ซึ่งแต่ละคนก็อาจจะมีภาวะต่างกันมีมีภาระหน้าที่มีความรับผิดชอบที่มีมากน้อยต่างกันไปแต่ก็ต้องพยายามที่จะลดให้มันน้อยที่สุดจนกระทั่งไม่มีเลยซึ่งเราก็สามารถที่จะดูตัวอย่างของพระพุทธเจ้าและของพระอรหรันตสาวกของพระพุทธเจ้าได้ พระพุทธเจ้าก็ดีพระหลานสาวกแต่ละพระองค์ก็ดีนี้ก็เป็นคนเหมือนพวกเหล่านี้แหละเขาก็ไม่ได้มาเกิดเกิดมาจากท้องพ่อทั้งจากจากท้องแม่ก็ไม่ได้เป็นพระสาวกขึ้นมาไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมา ท, าทันทีก็เกิดมามีครอบครัวมีการเกี่ยวข้องกับญาติพี่น้องเกี่ยวข้องกับคนต่างๆแต่ทําไมท่านเหล่านั้นท่านสามารถที่จะ ตัดความภาระผูกพันกับสิ่งต่างๆกับบุคคลต่างๆได้แล้วเอาเวลาทั้งหมดให้กับการไปปฏิบัติได้เราก็ต้องมองพิจารณาดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างพระพุทธเจ้าก็เป็นเจ้าชายเกิดมาเป็นท่ามกลางกองเงินกองทองท่ามกลางความสุขความสบายต่างๆแต่พระองค์ก็สามารถที่จะตัด ตัวพระองค์ให้ออกจากกององสุขได้เพราะทรงเห็นด้วยปัญญาว่ามันเป็นของชั่วคราวเพราะว่าไม่ช้าก็เร็วร่างกายก็จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปและเมื่อเวลาร่างกายแก่เจ็บตายก็จะไม่สามารถที่จะหาความสุขจากกองเงินกองทองได้ต่อไปเราต้องใช้ปัญญาพิจารณาเพื่อที่เราจะได้สามารถ ดึงเอาเวลาต่างๆที่เรามีอยู่นี้มาให้กับการปฏิบัติให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ส่วนงานต่างๆนี้ทางโลกถ้ายังมีความจำเป็นอยู่ก็ทำไปแต่ควรจะมีตั้งตั้งจุดหมายปลายทางว่าจะต้องให้มันหมดไปให้ได้ไม่เช่นนั้นเราก็จะไม่มีเวลาพอให้กับการปฏิบัติธรรมของเราถ้าเราก็จะเสียโอกาสอังยิ่งใหญ่ ถ้าเกิดเราตายไปจากโลกนี้โดยที่เรายังไม่ได้บรรลุมรรคผลเลยก mm. ารไม่ได้บรรลุมรรคผลนี้ mm. ก็จะทําทให้เรานี้ยังเป็นปุถุชนอยู่และการเป็นปุถุชนนี้ mm. ก็จะไม่มีอะไรที่จะมารับรองในเรื่องของการหลุดพ้นว่าเราจะหลุดพ้นได้อย่างไรเมื่อไหร่ mm. แต่ถ้าเราได้เริ่มเป็นพระอริยบุคคลแล้วได้เป็นพระสาดาบันขึ้นมาแล้วนี่มันก็จะมีมันมีขอบเขตของการ เวียนว่ายตายเกิดว่ามันจะลดน้อยลงไปเรื่อยๆเช่น mm hmm. พราโสดาบันนี้ก็จะกลับมาเกิดอีกไม่เกินเจ็ด 7, 7ชาติเป็นอย่างมาก mm hmm. ถ้าเป็นพระสกิดาคามีก็จะกลับมาเกิดอีกเพียงชาติเดียว mm hmm. ถ้าเป็นพระนาคามีก็ไม่ต้องกลับมาเกิดในในภพของมนุษย์อีกต่อไป mm hmm. จะไปเกิดอยู่บนภพของของพรหมของรูปประพรหมหรืออรูปประพรหม แล้วก็จะสามารถหลุดออกจากาไตพบพได้หลุดออกจากรูปภพหรือหลุดออกจากภพ ม, มาโลกได้เพื่อเข้าสู่พระนิพพานต่อไป<ช>ดังนั้นเป้าหมายของพวกเราทุกคนอย่างน้อยก็ควรพุ่งไปที่การบรรลุธรรมขั้นที่หนึ่งการได้เป็นพระอริยบุคคลขั้นที่หนึ่งคือขั้นพระโสดาบันการที<ช>่เราจะเป็นขั้นพระบรรลุขั้นพระโสดาบันได้นี้ เราก็ต้องมีการปฏิบัติที่เรียกว่ากิตตภาวนาสมถะและวิปัสนาภาวนาอย่างต่อเนื่องและการจะปฏิบัติสมถะภาวนาและวิปัสนาภาวนาอย่างต่อเนื่องได้เราจาเป็นที่จะต้องมอีการปฏิบัติศีลที่ระดับเนกขมมะคือการละการหาความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐาพะต่าง ก็คือเราจะต้องรักษาศีลแปดขึ้นไปให้ได้แล้วก็รักษาทุกวันแล้วก็ปฏิบัติทุกวัน<ม>จะจะรักษาจะปฏิบัติในรูปแบบของผู้อุบาสกอุบาสิกาก็ได้หรือจะเป็นในรูปแบบของภิกษุก็ได้หรือเป็นแม่ชีก็ได้หรือเป็นสัมมเนนก็ได้อันนี้ต้องเป็นศีลต้องอยู่ในระดับของนักบวชศีลเ<ม>นฆามะขึ้นไป คือไมใ่ให้หาความสุขจากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสผดถภาชนิดต่างๆเพราะการเสพแบบนี้จะเป็นนิวรณ์เป็นอุปสรรคขวางกัน้นการเจริญสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาที่จะนําไปสู่การบรรลุมรรคผลนิพพานตามลําดับต้องพยายามห้ามใจตนเองไม่ให้ไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผดถภาอีกต่อไปด้วยการรักษาศีลแปดขึ้นไป รักษาศินแปดหรือถ้าเป็นแม่ชีจะรักษาศิน 10, สิบหรือสินแปดก็ได้เป็นสมัมเณรถ้าบวชสามเณรก็บวชรักษาศินสิบถ้าเป็นพระก็บวรรักษาศินสอง้อยี่สิบเจ็ดข้ออันนี้จะทําให้มีมีข้อห้ามต่างๆอุดรอยรูดอุดช่องโหวที่จะให้กิเลสดึงใจให้ออกไปทําเรื่องราวต่างๆที่ ไม่เกิดประโยชน์ในทางธรรมได้ให้เอาเวลาทั้งหมดมาให้กับการปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะการเจริญสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาเบื้องต้นต้องทําสมถะภาวนาให้ได้ก่อนเพราะถ้าใจยังไม่สงบใจยังไม่มีอุบเบกขานี้ใจจะไม่มีกําลังที่จะไปเจริญวิปัสสนาเพื่อละกิเลสตัณหาต่างๆ ได้ลือความสุขต่างๆที่เกิดจากความความหลงของกิเลสตัณหาหลอกให้ไปยึดไปติดไปหาความสุขอยากสิ่งต่างๆแต่ถ้าเราได้ฝึกสมาธิ<ม>จเจริญสมถะภาวนาทําใจให้สงบได้<ม>พอใจสงบแล้วสิ่งที่เราจะได้ก็คือความอิ่มใจความสุขใจซึ่งเป็นสิ่งที่จะทําให้ใจนี้สามารถที่จะปล่อยวางการ การต้องพึ่งอาศัยการความสุขจากทางตาหูจมูกนิ้นกายได้ความสุขจากรูปเสียงกลื่นรดปวดธรรมะได้การที่แล้วก็จะละการพึ่งพาอาศัยการมีร่างกายได้ถ้าเรายังไม่สามารถมีความสุขจากความสง บ, บนี้ใจก็ยังจะต้องถูกกิเลสดึงให้ไปอาศัยความสุขผ่านทางร่างกายผ่านทางตาหูจมูกนิ้นกาย ไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสผดธพะชนิดต่างๆอยู่เมื่อยังต้องต้องเสพความสุขผ่านทางร่างกายก็จะมีความปูกพันมีความรักความหวงร่างกายความไม่อยากให้ร่างกายจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปก็จะทําให้ละละละการยึดติดในร่างกายไม่ได้การละการพึ่งพาอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขไม่ได้ แต่ถ้าเราสามารถฝึกสมาธิทำใจให้สงบใจมีความสุขในตัวของมันเองแล้วนี่มันก็จะสามารถที่จะละการพึ่งพาร่างกายได้ไม่ต้องมีร่างกายก็ไม่เดือดร้อนเพราะว่ามีความสุขในใจได้โดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกายถ้าเป็นอย่างนั้นก็จะสามารถละสัตายาธิษฐิได้น่ความหลงที่ไปคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเรา ละละความอยากให้ร่างกายนี้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้ก็จะสามารถบรรลุถึงขั้นที่หนึ่งของพระอริยบุคคลได้จึงจาเป็นอย่างยิ่งมไม่ว่าใครก็ตามที่จะปฏิบัติเพื่อมรักผลนิพพานนี้จำเป็นขั้นแรกนี้จาเป็นจะต้องมีสมถะภาวนาต้องทำใจให้สงบให้ได้แล้วก็สงบไม่ใช่เพียงแค่แวบเดียวสองแวบอันนี้เป็นเพียงเบื้องต้น การปฏิบัติสมาธินี้เบื้องต้นนี้ระยะแรกๆนี้เวลาใจสงบอาจจะสงบแค่แค่วับเดียวแบบมูรีบินความสงบแบบนี้ท่านเรียกว่าคานิกะสมาธิซึ่งก็เป็นขั้นที่จะดึงดูดจิตใจของผู้ปฏิบัติให้มีความยินดีที่จะปฏิบัติสมาธิให้มากขึ้นเพราะนั่น เห็นคุณค่าของความสงบว่ามันเป็นความเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่จะได้รับจากทางตาหูจมูกนิ้นกายก็จะทำให้มีความเพียรพยายามที่จะเจริญสติฝึกสมาธิเจริญสมถะภาวนาให้มากขึ้นเพื่อให้เกิดความสงบของใจให้มาให้นานขึ้นให้มากขึ้นก็จะทุ่มเทเวลาให้กับการเจริญสมถะภาวนา เวลาไม่ได้อยู่ในสมาธิออกจากสมาธิก็หมันเจริญสติคอยควบคุมความคิดคอยหยุดความคิดต่างๆดยการใช้คำบริกรรมพุทโธพุทโธไปก็ดีหรือด้วยการเฝ้าดูการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายก็ดีหรือว่าตอนนี้ร่างกายกำลังทำอะไรเพื่อที่จะดึงใจไว้ไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆนั่นเองถ้าสามารถควบคุมความคิดหยุดความคิดต่างๆได้ใจก็จะ เย็น ใ, ใจก็จะสบายถึงแม้ยังจะไม่ได้เข้าสมาธิแล้วพอเข้าไปในสมาธิพอจะนั่งสมาธิก็จะเข้าไปได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วแล้วจะสามารถอยู่ในสมาธิได้เป็นเวลายาวนานนี่พยายามฝึกสมาธิไปเรื่อยๆก่อนเบื้องต้นให้ชนานาญแล้วก็ให้มีมีสติมีประครับประคองใจทั้งในขณะที่อยู่ในสมาธิ และเวลาที่ออกจากสมาธิมาก็ยังมีสติคอยประครับประคองใจอยู่ไปเรื่อยๆคอยควบคุมกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆใหไ้ไม่ให้ปรากฏขึ้นมาเพราะถ้าเวลาไม่เผลอสติเมื่อไหร่ความโลภความโกรธความหลงก็งจะปรากฏขึ้นมาได้แล้วก็จะทําให้ใจนี้วุ่นวายขึ้นมาฟุ้งซ่านขึ้นมาได้ดังนั้นในการปฏิบัติเบื้องต้นนี้ต้องสามารถที่จะเข้าสมาธิได้ ทุกเวลาที่ต้องการในเวลาที่ไม่ได้อยู่ในสมาธิก็สามารถควบคุมใจไม่ให้ฟุ้งซ่านได้ถ้าฟุ้งซ่านก็สามารถกลับเข้าไปนั่งสมาธิใหม่ได้ทำอย่างนี้ไปก่อนจนกระทั่งมีความชำนาญทางด้านสมาธิแล้วทีนี้ก็มาหลังจากที่ออกจากสมาธิมาแ ต, แต่ละครั้งก็มาพิจารณาเรื่องเรื่องปัญญาเรื่องของร่างกายาร่างกายนี้ เป็นของไม่เที่ยงใช่ไหมเป็นของที่เกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายใช่ไหมไม่ใช่ว่ามันเกิดมาแล้วมันจะอยู่ไปตลอดมันไม่มันไม่ได้เป็นของเที่ยงมันเป็นของไม่เที่ยงมันเป็นของชั่วกราวแล้วมันเป็นของที่มีใครไปควบคุมบังคับไปห้ามมันได้ไหมห้ามให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้ไหมไม่มีใครห้ามได้ร่างกายของแต่ละคนเมื่อเกิดมาแล้วทุกคนมันมีมันมันมีวงจรของมันร่างกาย พวงจรก็คือเกิดแก่เจ็บตายนี่ถ้าไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอันนี้ก็จะทําให้ใจทุกขึ้นมาการปฏิบัตินี้ก็เพื่อดับความทุกข์ใจไม่ได้ปฏิบัติเพื่อให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเป็นไปไม่ได้ร่างกายนี้ไม่มีใครแม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็ไม่สามารถมาทำให้ร่างกายของพระองค์ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ได้แต่พระองค์สามารถทําให้ใจของพระองค์นี้ไม่ทุกข์กับ ร่างกายเนี่ยไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายได้อันนี้คือเป้าหมายของการเจริญปัญญาเพื่อดับความทุกข์ใจที่เกิดจากความอยากในเบื้องต้นก็คืออยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเมื่อพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงแล้วว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงมันเป็นของที่จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปแล้วมันไม่มีใครที่จะมาห้ามมันได้ มันไม่อยู่ภายใต้อำนาจของใครที่จะสั่งการให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้ถ้าไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันก็จะทุกข์ถ้าไม่มีความอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายใจก็จะไม่ทุกข์ความทุกข์มันไม่ได้เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายความทุกข์มันเกิดจากความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายความอยากอยู่ไปนานๆนี้เท่านั้นเองแต่ถ้ามีปัญญาถ้าเห็นด้วย ด้วยด้วยปัญญาก็จะเห็นว่าร่างกายนี้มันต้องตายมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่ว่าจะเป็นร่างกายของใครก็ตามเมื่อมันเห็นตามความเป็นจริงอันนี้แล้วมันก็จะไม่มีความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพอมันไม่มีความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันก็จะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายก็สามารถละสกายนททิฏฐิได้ก็จะไม่มีความทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายใจก็ ไม่ต้องใช้ร่างกายใจก็สามารถอยู่อย่างมีความสุขได้ถ้ามีสมถะภาวนามีสมาธิมีอุเบกขามีจิตที่สงบนิ่งตลอดเวลาทั้งในขณะที่อยู่ในสมาธิและในขณะที่ออกจากสมาธิมาอันนี้คือเรื่องของการเจริญวิปัสสนาหลังจากที่ได้สมถะภาวนาเบื้องต้นต้องได้สมถะภาวนาก่อนต้องทําใจให้สงบทําใจให้เป็นสุขก่อน ทำใจให้อิ่มก่อนมีความสุขก่อนเมื่อใจมีความสุขในรูปแบบใหม่แล้วใจก็จะได้ไม่ต้องไปหาความสุขในรูปแบบเก่าความสุขในรูปแบบเก่าก็คือความสุข young, จากรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณฑ์ที่ต้องใช้ตาหูจ ม, มูกนิ้นกายเป็นเครื่องมือนั่นเองที่จําเป็นยังที่จําเป็นยังต้องต้องมีร่างกายแต่พอเรามีความสุขจากทางสงบแล้วเราก็ไม่ต้องไปหาความสุขทางตาหูจ ม, มูกลิ้นกายต่อไป วความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายนี้มันสู้ความสุขที่ได้จากการทําใจให้สงบไม่ได้<ม>นี่แหละคือความสําคัญว่าทําไมเราจึงต้องฝึกสมาธิกันก่อนแล้วเราถึงค่อยไปขั้นวิปัสสนาหรือขั้นปัญญาขั้นปัญญาก็เพื่อไปปล่อยวางวิธีวิธีการหาความสุขในรูปแบบเก่าไปเพราะวิธีการหาความสุขในรูปแบบเก่านี้มันจะต้องเจอกับปัญหาของร่างกายที่จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไป หรือความปัญหาของรูปเสียงกลิ่นรสที่ไม่เป็นของที่ไม่แน่นอนเช่นเดียวกันรูปเสียงกลิ่นรสนี้มันไม่ใช่มีแต่เฉพาะที่เป็นสุขอย่างเดียวชนิดที่ไม่สุขก็มีชนิดที่เป็นทุกข์ก็มีซึ่งเราก็ไปไม่สามารถที่จะไปบังคับว่าเราจะต้องเจอแต่รูปเสียงกลิ่นรสผลทพัชที่เป็นสุขอย่างเดียวพอเราไปเจอรูปเสียงกลิ่นรสที่เป็นทุกข์เราก็จะทุกข์เราก็จะไม่สบายใจเราก็ พยายามสอนใจให้เห็นความความไม่แน่นอนของความสุขแบบรูปแบบเก่าความสุขในรูปแบบเก่านี้มันเป็นความสุขที่ต้องเจอกับความทุกข์ไม่ช้าก็เร็วเพราะความไม่แน่นอนของทั้งรูปเสียงกลิ่นรสผุดตะพทั้งตาหูจมูกนิ้กายมันเป็นของไม่แน่นอนมันมันไม่ได้เป็นสิ่งที่จะสามารถทำหน้าที่หาความสุขได้ตลอดเวลา บางเวลามันก็ไม่สามารถทำหน้าที่ได้เวลาที่ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยตาหูจมูกลิ้นกายอาจจะพิกลพิ ก, การไปการจะหาความสุขแบบนั้นก็จะไม่สามารถหาได้ต่อไปถึงต้องมาเปลี่ยนวิธีหาความสุขแบบใหม่ความสุขที่ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือก็คือการเจริญสมถะภาวนาด้วยการฝึกสติเจริญสติคอยควบคุมความคิด ไม่ให้คิดถึงเรื่องราวต่างๆและเวลานั่งสมาธิใจก็จะได้เข้าสู่ความสงบได้อย่างง่ายดายและรวดเล็วเข้าถึงความสุขอันประเสริฐได้ความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงพอเราเข้าถึงความสุ ข, ขนี้แล้วเราก็สามารถเลิกหาความสุขผ่านทางร่างกายได้ถ้าเราไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขร่างกายมันจะเป็นอะไรเราก็จะไม่เดือดร้อน ร่างกายจะแก่เราก็ไม่เดือดร้อนร่างกายจะเจ็บไายได้ป่วยเราก็ไม่เดือดร้อนร่างกายจะตายเราก็ไม่เดือดร้อนเพราะว่าเราไม่ต้องอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขแล้วเพราะเราสามารถมีความสุขได้ตลอดเวลาไม่ว่าร่างกายจะแก่หรือไม่แก่จะเจ็บหรือไม่เจ็บจะตายหรือไม่ตายเราสามารถมีความสุขได้จากการทําใจให้สงบได้ เพราะการทําใจให้สงบนี้ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือสิ่งที่เราต้องใช้ทําใจให้สงบก็คือการเจริญสติการเจริญสติอย่างต่อเนื่องจะเป็นสัมปะชัญญะสัมปะชัญญาแปลว่าสติที่ไม่พังไม่เผลอสติที่ต่อเนื่องกันไปใจไม่ลอยไปที่อื่นใจตั้งมั่นอยู่ในปัจจบัตตั้งอยู่ในอารมณ์ที่กําหนดว่าให้อยู่ อยู่กับลมหายใจก็จะอยู่กับลมหายใจอยู่กับพุโทโธก็จะอยู่กับพุโทโธถ้ามีสติแบบนี้แล้วใจก็จะเข้าสู่ความสงบเข้าสู่ความสุขที่เลิศที่ประเสริฐได้อย่างง่ายดายและสามารถเข้าได้ทุกครั้งทุกเวลาที่ต้องการเบื้องต้นต้องพยายามฝึกสมาธิให้ชํานาญก่อนแล้วเมื่อชํานาญแล้วเราค่อยไปทางปัญญาเพราเวลาเราไปทางปัญญาเราต้องใช้ความคิดและเราจะต้องไปเจอกับความทุกข์ เวลาที่ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยนี้มันจะมีความทุกข์ถ้าเราไม่มีสติไม่มีสติกำลังพอไม่มีกำลังของสมาธิกำลังของอัปปนาสมาธินี้เราจะสู้กับความทุกข์ของทางร่างกายไม่ได้เราก็จะถูกตั้นหาความอยากนี้สร้างความอยากให้ความเจ็บไข้ได้ป่วยหายไป พอสร้างความอยากขึ้นมาก็ยิ่งสร้างความทุกข์ทรมานใจให้มีเพิ่มมากขึ้นไปอีกจนกระทั่งไม่สามารถทนอยู่กับความเจ็บไข้ได้ปวยได้บางคนก็อาจจะคิดฆ่าตัวตายกันก็ได้แต่ถ้าเรามีสมาธิแล้วเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ปวยนี่ใจเราจะเฉยได้ใจจะเราจะไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนกับความเจ็บไข้ได้ปวยของร่างกายถ้าเราก็จะใช้ปัญญาสอนใจให้ปล่อยวางร่างกายได้ว่า การไปยึดไปติดกับร่างกายการไปอยากให้ร่างกายนี้อยู่ไปไม่เจ็บไข้ได้ป่วดจะสร้างความทุกข์ให้กับใจในเมื่อเราไม่ต้องต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขแล้วเราก็ไม่ต้องไปไปหวังอะไรจากร่างกายต่อไปเพราะเราสามารถทําใจให้เรามีความสุขได้ <Okay. S 1> อันนี้คือสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งนะของการปฏิบัติ <Okay. S 1> อย่ามองข้ามการปฏิบัติสมาธิไปเป็นอันขาด ยกเว้นถ้าเรามีสมาธิแล้วถ้าเราชำนาญในสมาธิแล้วเราก็สามารถไปทางปัญญาได้อย่างเช่นพระปัญจวัคคีย์นี้ท่านมีฌานแล้วท่านเข้ารูปประชานรูปประชานได้แล้วท่านก็เลยสามารถเจริญปัญญาพิจารณาอริยสัจตามที่พระเจ้าทรงแสดงได้พอพิจารณาได้ก็สามารถปล่อยวางร่างกายได้มีดวงมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาได้เห็นว่าสิ่งใดมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาก็คือเห็นร่างกายนี้มันเป็นสิ่งที่มีการเกิดขึ้นมาเป็นธรรมดามันย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาไม่มีใครไปยับยั้งไปห้ามมันได้ถ้าไปอยากให้มันไม่ไม่ดับก็จะเกิดความทุกข์ทรมานใจถ้าไม่อยากจะทุกข์ทรมานใจก็ทำใจเฉยๆไปรู้เฉยๆไปอยู่กับมันไปจนกว่มันจะจากเราไป อันนี้ก็คือเรื่องของการวิธีการปฏิบัติธรรมเพื่อให้หลุดพ้นจากกองทุกข์ต่างๆต้องปฏิบัติด้วยศรัทธาในเบื้องต้นต้องมีศรัทธาในเบื้องต้นต้องมาพบกับพระพุทธศาสนาก่อนถ้าไม่พบกับพระพุทธศาสนาจะไม่รู้จักทางดับทุกข์อย่างอย่างถูกต้องงั้นเมื่อเราได้มาเจอพระพุทธศาสนาแล้วสิ่งที่เราต้องมีต่อไปก็คือศรัทธาความเชื่อเชื่อในคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าเขา ในคําสั่งคําสอนของพระอริยสองสาวกเมื่อเชื่อแล้วเราก็ศึกษาอย่างจริงจังศึกษาแล้วก็นําเอาไปปฏิบัติตามอย่างจริงจังเมื่อปฏิบัติตามอย่างจริงจังแล้วไม่ช้าก็เร็วเราก็จะสามารถดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดสิ้นไปได้นี่คือเรื่องของธรรมะที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวหาปุราปริปโเลนติสาคหลังเอวเมวะอิโตทินังเตตานังอุปการปติอิชิตังปฏิตังตุมหังกิปเมวะสนิจโตสัพเพปุเลยิตุสังกปาจันโทปนาวะสุยะถามณิโชติ อะรโสยะถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินสศตุมาเตภวตวันตราโยสุขีทีคายุโกภาอภิวาทนศีลิสะนิจจังวุฒาปจายโนยตาโรธมรวทานติอายุวโนสุขัง ช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอะไรอยากจะถามก็เชิญถามได้ในช่วงนี้เลยจะถามเองก็เข้ามาถามที่ข้างหน้านี้ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาหรือถ้ามีมือถือก็ส่งเข้ามาทางเพจทาง u t u b e ก็ได้วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่ วันนี้มีผู้รับฟังธรรมะหน้าขุดจากทาง Facebook พระอาจารย์สุชาติ463ท่าน YouTube พระสุชาติไลฟ์309 YouTube d กเตอร์วีชาแนล70วิทยุออนไลน์7 Club House 6หน้าขุด227รวมทั้งหมด 1,082 ท่านค่ะ คำถามจากผู้รับฟังน้ากุดค่ะคำถามที่หนึ่งตอนทํากรรมฐานลมหายใจหยุดไปร่างกายเหมือนจะเลื่อนขยับจนรู้สึกว่าไม่ได้อยู่กับพื้นพอกำหนดจิตให้พุ่งไปตามที่คิดควรจะทำอย่างไรก็กำหนดอยู่ที่เดิมถ้ากำหนดลมก็อยู่ที่ปลายจมูกไม่ต้องตามอาการอย่างต่างไปรู้เฉยเฉยไป คำถามที่สองค่ะตอนหลับตาทำกรรมฐานแล้วเห็นภาพคืออะไรควรทำอย่างไรต่อไปครับไม่ต้องสนใจมันเป็นเรื่องของจิตปรุงแต่งขึ้นมาให้อยู่กับกรรมฐานของเราอยู่กับลมไปถ้าดูลมถ้าอยู่ถ้าใช้พุโทโธก็อยู่กับพุโทโธไปไม่ต้องไปสนใจกับสิ่งต่างๆที่ปรากฏขึ้นมาคาถามจากผู้รับฟังน่ากุธค่ะ ขอความเมตตาพระอาจารย์อธิบายสภาวะที่จิตรวมและขณะที่จิตรวมจะมีความคิดแทรกเข้ามาหรือไม่คะอันนี้ต้องทำเองถึงจะรู้อธิบายไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรให้มีสติอยู่กบพุทโธพุทโธไปก็เริ่นดูลมหายใจไปอย่าไปคิดปรุงแต่งะเดี๋ยวมันก็จะรู้เองว่าเป็นยังไงคำถามจากคุณเดชาค่ะ ผมปฏิบัติวิปัสนาแนวยุบพองเอาจิตไ you know ว้ที่ท้องมานานจนคิดว่าตั้งมั่นได้พอสมควรแต่วันนี้ก็ไม่แน่ใจจึงเอาจิตมาดูลมที่จมูกแต่ก็รู้สึกไม่สบายเท่าที่ควรผมต้องทําอย่างไรครับก็เอาแบบที่เราสบายที่ถูกกับเราถ้าตั้งจิตไว้ที่หน้าท้องก็ดูที่หน้าท้องไปยุบหนอพองเนอไป อันนี้ไม่ใช่เป็นวิวปัสสนาอันนี้เป็นสมถะการทำใจให้นิ่งให้สงบยังไม่เกิดปัญญาแต่ก็ทำใจให้มีความสุขจากความสงบไว้ก่อนคำถามจากคุณธรรมรัฐค่ะถ้าเราไม่ได้ตั้งสัจจะอธิษฐานว่าจะรักษาศีลแปดแต่เมื่อมีโอกาสก็ปฏิบัติรักษาเสมอโดยไม่ได้สมาทานอย่างนี้อา น, นิสงส์ของการรักษาศีลในบางวันจะได้อยู่ไหมครับ ก็อยู่ที่รักษาหรือไม่รักษาถ้ารักษาก็ได้ถ้าไม่รักษาก็ไม่ได้คําถามจากคุณสมพลค่ะอุปสรรคในการบรรลุโลกุตระธรรมของคารวาะคือการไม่สามารถเจริญสมาธิให้ถึงขั้นฌานสีได้ใช่หรือไม่ครับก็ของทุกคนอะ่ะของพระก็เหมือนกันของคารวาะก็เหมือนกันไม่ใช่ว่าพระที่มาบวชแล้วจะเข้าถึงสมาธิได้ทุกองค์กค็อยู่แต่ละ แต่เราท่านที่อยาพยายามเพียนปฏิบัติจเจริญสติไปเรื่อยๆแต่ต้องอย่าไปข้ามขั้นนี้ไปอย่าไปคิดว่าปัญญานี้สามารถที่จะทําให้เราหลุดพ้นได้โดยที่ไม่มีสมาธิเพราะยังเป็นปัญญาแบบปัญญาแบบพุ่งสร้างอยู่ไม่ใช่เ ป, เป็นปัญญาแบบสงบ คำถามจากคุณพัดค่ะขอเรียนถามว่าเวลาเราเห็นคนนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ดูแล้วใจเราเป็นทุกข์ไปกับเขาซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกับเราเลยก็เลยหยุดดูเขาหยุดตามเขาเพราะพอเราไม่รู้ไม่เห็นใจเราก็สบายขึ้นทําอย่างนี้เป็นการปล่อยวางอย่างหนึ่งได้ไหมเจ้าคะก็มันก็ปล่อยวางแบบไม่สมบูรณ์ จะปล่อยวางสมบูรณ์ต้องเห็นเขาแล้วก็ปล่อยวางได้ปล่อยเขาเขาจะเป็นอะไรเขาจะทำอะไร้เาเรื่องของเขาไปไม่ต้องไปหลบหนีเขาถ้าเดี๋ยวไปเจอเขาใหม่ก็จะเกิดอารมณ์ขึ้นมาได้ถ้าเราคอยหลบไม่มองเขาไม่ดูเขาแต่พอเราเห็นเขาขึ้นมาเราก็จะเกิดอารมณ์ขึ้นมาได้เั้นต้องพยายามพิจารณามองเขาว่าเป็นเหมือนกับดินฟ้าอากาศที่เราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับไปห้ามเขาได้ เขาจะดีเขาจะชั่วเขาจะเร็วแล้วจะไล่เขาเป็นเรื่องของเขาไปคำถามจากคุณอัชาราค่ะเวลาเราทำบุญใส่บาทช่วงที่ใส่ของลงในบาทพระจะอธิษฐานอุธิศส่วนบุญให้สัตว์เล็กสัตว์น้อยที่จงใจฆ่าและไม่ได้จงใจฆ่าเช่นมดปลวกพวกเขาจะได้รับบุญหรือไม่เจ้าคะการอุธิศบุญนี่นะโอ้ที่แท้กับผู้ที่เสียชีวิตไปแล้ว ผู้ที่มีชีวิตยอยู่เราไม่นิยมเยียวาอุทิศบุญให้กับเขาเพราะมันเป็นบุญที่เขาได้น้อยมากเขาทำให้เขาเองได้มากกว่าคาถามจากคุณสุกัญญาค่ะกลับ น, นมัสการถามเจ้าค่ะหลวงพ่อเปรดจะอยู่รอบๆตัวเราเมื่อเราเพื่อ ร, รอรับส่วนบุญขณะที่เราทาบุญฟังธรรมะหรือเปล่าเจ้าคะเราไม่รู้เราถ้าเราไม่มียานอย่างทร า, าได้ ตอนนี้ยังไม่มีคำถามค่ะเราไม่มียาเราไม่รู้หรอกขณะ น, นี้มีเทพมีเปรตหรืมีอะไรมาลองมา่วมตังกับเราอยู่อปล่า <c oughs> เราจะมาหรือไม่มาก็เรื่องของเขาไป <c oughs> หน้าที่ของเราก็คือให้เรามีความเมตตากับสรรพสัตว์ทั้งตัวถ้าเขามาทักทายเราก็ทักทายกลับไป <c oughs> จะเป็นเทพก็ดีจะเป็นเปรก็ดีก็ไม่เป็นไร <c oughs> เขาก็เป็นสัตว์โลกเหมือนกับเราที่ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ อันนี้สถานาภาพเขาเป็นใบตามบุญตามบาปที่เขาทำไปเราก็ควรที่จะมีความเมตตาถ้าเกิดเราสามารถสัมผัสาารับรู้กับเขาได้ยังไม่มีคาถามค่ะการทิศบุญนี้ความจริงแล้วถ้าอยากจะมั่นใจว่าผู้ที่เขาต้องการนี่เขาได้รับบุญหรือเปล่า เขาก็ต้องมาติดต่อกัแเราไว้ก่อนมาส่งสัญญาณมาบอกเราว่าเขาต้องการบุญเพราะถ้าเขาส่งสัญญาณมาในฝันก็ดีในอะไรที่เป็นเหตุการณ์ที่ที่เราไม่สามารถที่จะอธิบายได้ว่าเป็นอะไรเราก็อาจจะคิดไปว่าเป็นเรื่องของดวงวิญญาณที่ต้องการความช่วยเหลือตอนนั้นเราก็ควรที่จะทำบุญแล้วก็ อ, อุทิศไป ส่วนถ้าไม่มีอะไรเป็นปกถกาทุกอย่างเป็นปกติไม่มีใครเข้าฝันไม่มีเหตุการณ์อะไรเวลาเราทำบุญแล้วก็อุทิศเผื่อไปเท่านั้นเองส่วนเขาจะมารับหรือไม่นี่เราไม่สามารถที่จะรับรู้ได้ก็ไม่ต้องกังวลการบุญที่อุทิศนี่มันเป็นบุญที่น้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับบุญที่เราสามารถทํากันเองได้งั้นเราก็ ควรที่จะให้ความสำคัญต่อบุญที่เราทํากันเองจะดีกว่าเราทาบุญไว่มากๆแล้วเวลาเราไปเราจะได้ไม่ต้องมารอรับส่วนบุญถ้าเราไม่ทําบุญเลยทำแต่บาปเนี่ยเวลาเราไปเราจะไม่มีบุญติดตัวไปแล้วเราก็จะต้องมาสายบุญของผู้ที่เขา อ, อุทิศไปให้กับเราถ้าเขาลืมหรือเขาลืมเขาไม่ได้คิดถึงเราเขาก็อาจจะไม่ได้ทําบุญแล้วก็จะไม่ได้ อ, อุทิศบุญให้กับเรา คำถามจากทาง YouTube พระอาจารย์สุชาติค่ะกราบนมัมสักการพระอาจารย์การทำสมาธิให้ถึงฌานตามลำดับสามารถไปถึงนิพพานหรือไม่ครับไม่ได้หรอกถ้าทำแต่สมาธินี้ก็ไปได้ค่พรหมโลกรูปภพกับอรูปภพถ้าได้รูปฌปานก็ไปสู่อรูปภพถ้าได้อรูปอรูปอรูปฌานก็ไปสู่อรูปภพแต่ไปถึงนิพพานไม่ได้แต่ไปนิพพานนี้ต้องไปทางปัญญา ต่อต่อด้วยปัญญาต้องได้สมาธิแล้วก็ไปทางปัญญาพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเป็นไจรักเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ปล่อยวางทุกอย่างที่เราเคยรักเคยชอบเคยยินดีคำถามจากคุณสมพลค่ะถ้าชาตินี้ได้ชาญชาติหน้าจะมีชาญติดตัวไปไหมครับมีชาญนี้เป็นสมบัติที่ติดตัวไปได้แต่มันก็หมดได้มันก็เสื่อมหมดได้ พะเสื่อหมดก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็กลับกลับมาบวชใหม่มานั่งสมาธิเข้าชานใหม่ไ ม, ไม่มีเท่าไหร่ยังไม่มีคำถาม okay. ไม่มีแกวทานนี้ก็แล้วกันนะ